มาพักที่วัดยาเนี่ ะ, ะาจได้สองคืนสองคืนจะพยายามแวมาเรื่อยๆค่ะอา่าได้ทีละวจะพยายามเพิ่มวันขึ้นเรื่อยๆอาไมของดีไม่ชอบเอาเงินชอบเอาของไม่ดีสินนี่ดีกว่าเงินทองแต่เราชอบเงินทองมากกว่สิน เอาศีลอาจจะกินไม่ได้ลงนะเงินทองนี่กินได้เที่ยวได้เล่นได้บ้านอยู่ที่ไหนอยู่นครปฐมเลยอมาบ่อยไหมมาครั้งที่สามครั้งที่สามไม่อยู่กมาสามวันเลยสามสามครั้งที่สามนี่ทิ้งช่วงถลางกันไหมก็<_><_> ประมาณเดือนหนึ่งเอนหงลยอ่าไม่ได้ไม่เคยเอนเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมาไม่เคยอืมกาทั่วๆไปอ่ะรักษาศีลแปดศีลห้าศีลแปดพยายามที่ผ่านมาก็จะเป็นวันวันแค่แค่ศีลแปดแล้วมีความรู้สึกดีขึ้นไหก็ มันรู้สึกฝืนเหมือนกันแต่ก็จะฝืนไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณผีวันถือวันพักก็รู้สิกไม่มีอะไรเป็นตัวบังคับเราแล้วก็เอ๊ะเราการรักษาก็ได้ร้สุดท้ายก็รักษาดีกว่าอค่ไม่ทราบว่าจะรักษาไปทําไมนะใช่ตอนอยู่กับบ้านเนี่ยเอ้ยคนแล้วคนรอบตัวก็บอกโอ้ยไม่จะเป็นอะไรอยแล้วก็ยังฝืนอะไรที่อยู่บ้านอยู่คนเดียวก็เป็นทําได้อยู่แล้ว ยังไม่เห็นคุณค่าของการรักษาศีลนะการรักษาศีลนี่มีผลกระทบกับจิตใจของเราเป็นหลักจะทำให้เราเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือจะทำให้เราเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตก็อยู่ที่ศีลเนี่ยคนเรามักจะไม่รู้กันไม่เชื่อกัน ไม่เชื่อว่ามีเทวดามีเปรตมีนรกมีสวรรค์ก็เลยไม่รู้ว่าจะรักษามันไปทำไมรักษาแล้วมันมาขัดผลประโยชน์กับของเราทํามากินก็ยากถ้ารักษาศีลเนี่ยจะโกหกก็โกหกไม่ได้จะโกงก็โกงไม่ได้จะหาความสุข แฟนจับคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้อาจจะมีแฟนก็ต้องแต่งงานกันคนมีสีนแต่คนที่ไม่มีสีนเขาก็ไม่ต้องแต่งงานกันเขาอยากจะนอนกับใครเขาก็นอนกันแต่เขาไม่รู้ว่านี่มันทำให้จิตใจของเขาเปลี่ยนไป คนที่มีศีลนี่ถือว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดป่นไม่ดื่มสุรายาเหานี่ถือว่าเป็นมนุษย์มนุษย์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจพวกเรานี้เวลามาเกิดนี่เราเป็นมนุษย์กันเราได้ร่างกายของมนุษย์แล้วตอนที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราก็มีศีลกันใช่ ออากมาจากท้องแม่นี้แล้วโกหกเลยว่าเรากินเหล้าก็กะเราเออมาจากท้องแม่ใหม่ๆเลยโกหกก็ไม่ได้โกหกสุลาก็ไม่ได้ลืมไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้ฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ลักท ร, รัพย์ของใครตอนที่เราเกิดใหม่ๆเนี่ยเราเป็นมนุษย์ทั้งกายและทางและทางใจใจก็เป็นมนุษย์ ร่างกายก็เป็นมนุษย์เพราะเรามีสี่ห้าเราไม่ได้ทำบาปแต่พอโตขึ้นมาเริ่มโตขึ้นมาเนี่เดี๋ยวเริ่มนะเดี๋ยวก็เริ่มขโมยเป็นเด็กเห็นอะไรอยากได้ก็หยิบของเกามาโดยที่ไม่รู้ว่าไม่ถูกอยากจะได้อะไรต้องขออนุญาต ทำในขออนุญาตจากเจ้าของก็เรียกว่ารักทรัพย์ก็จะเริ่มกลายเป็นเหมือนสุนัขแล้วไนหะสุนัขนี่มันอยากจะเอาอะไรมันถามเจ้าของก่อนไหมใช่ไม้มเห็นวางกับคงกับข้าวเผอไว้เดี๋ยวมันก็มาข้าไปกินหรือแมวนี่ชอบแอบขึ้นมาบนศสลา เวลาญาติโยมนั่งฟังเทศจังจะมาคาบเอาปลาไปกิน น, ะนั่นแหละพ อ, อรับทรัพย์ก็เริ่มกลายเป็นแมวเป็นหมาไปแล้วร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเป็นแมวเป็นหมาไปแล้วแล้วเดี๋ยวโตขึ้นก็มีแฟนกันละยังไม่แต่งงานก็นอนกันละ อันนี้ก็เหมือนกับเดราชานไงเดละาชานมันไปขอสู่ขอพ่อแม่กันก่อนรึเปล่าเดลอาชานมันเจอกันที่ไหนมันชอบกันมันก็มันก็ไปนอนร่วมกันแล้วก็เราสมัยนี้ก็ไม่เหมือนไม่ต่างกับเดลอาชานใช่ไไม่ค่อยแต่งงานกันแล้วขอนอนขอนอนร่วมหลับนอนกันก่อนเลย เบื่อก็เบื่อก็ทิ้งกันแล้วก็ไปหาคนใหม่ก็ไม่ไม่ต่างจากสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์เขาก็เดี๋ยวเขาเบื่อตัวนี้เขาก็ไปเปลี่ยนตัวนั้นเนี่ยเราพอไม่มีศีลเนี่ยเราก็ใจเราก็เริ่มเสื่อมลงไปละเริ่มแปลงกลายพันธ์กลายจากมนุษย์ มาเป็นเดลอาชานหรืเป็นเปรตไปแล้วเปรตก็คือชอบเอาของคนอื่นชอบโกงชอบขอโมยข้าวเอาเข้าวของคนอื่นเปรตนี่อยากชอบอยากจะได้มากๆถ้าโลภมากแล้วทํำบาปด้วยความโลภนี่ก็จะเป็นเปรตแต่ถ้าไม่โลภโลภแต่ทำบาปด้วยความความหิวเช่นหมามันหิวมันก็คาบก้าวกัขบขาบ้าว ไปอันนี้ไม่ได้ด้วยความโลภทําด้วยความหิวด้วยความต้องความจําเป็นต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนที่มีอาชีพฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็แบบเดียวกันนะก็เป็นในรฉานแต่ถ้าทําเพื่อให้ร่ําให้รวยอย่างได้เงินเยอะๆแล้วอาชีพนี้ทําทให้รวย ก็เป็นเปรตไปทำเดเนี่ยคนเราไม่เห็นคุณค่าของศีลไม่รู้ว่าศีลมีไว้ทำไ ม, ไมพอรักษาศีลแล้วจะจะทำอาชีพฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้หรือจะหาความสุขจากกินอาหารสัตว์แบบสดๆก็ไม่ได้เห็นปลาอยู่ในร้านเนี่ยชียอเอาตัวนี้นะ เอาสดสเนะี่ยอันนี้ก็ถ้าถือสีนีก้กินไม่ได้แนละ้วต้องกินของของตายแนละ้วถ้ากินของตายแนละ้วไม่บาปนะเช่นเขาไปซื้อของมาจากตลาดที่มันตายแล้วมีคนเขาฆ่ามานะันแล้วมาขายแล้วไปซื้อมากินนี่ไม่บาปนะแต่อย่าไปสั่งเขานะสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าหรือฆ่าเองนี่ก็บาป แต่ถ้าเขาข่ามาโดยที่เราไม่มีส่วนไปมีคำสั่งไม่มีอะไรเขาอยากจะหาทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ก็เรื่องของเขาเขาก็เป็นเดรัจฉานไปแล้วหรือเป็นเปรดไปแล้วแต่เราไปซื้อของจากเขานี่ถ้าเขาถ้าเราไม่ได้ไปสั่งเขานี่เราไม่เราไม่ยังเป็นมนุษย์อยู่ แต่ถ้าเราไม่สั่งเข้าล่วงหน้าพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเนรัจฉานเหมือนเขาแล้วเพราะเราเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตวนะ์ก็เหมือนกับสัตว์ทั่วไปที่เขาต้องเลี้ยง ป, ยงปากเลี้ยงท้องเขาด้วยกินด้วยการกินสัตว์ตัวสัตว์อื่นนี่แหละความสําคัญของศี่ห้าอันนี้ อธิบายให้ฟังจะได้เห็นคุณค่าของการมีศีลเพราะว่าเราไม่ได้มีเพียงแต่ร่างกายเราไม่มีจิตใจแล้วจิตใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ต้องตายแน่ๆเราทุกคนรู้ใช่ไหมเชื่อไหมว่าร่างกายนี้ต้องตายเชื่อค่ะแต่เชื่อไมมว่าใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วใจจะไปสูงไปต่ำจะไปเป็นอะไรก็อยู่ที่ การมีศีลหรือไม่มีศีล น, นี่แหละอันนี้เราไม่รู้กันทำไมถึงมีสัตว์ที่มีสัตว์ในป่านี้ได้ไงเขาบอกพวกนี้ชาติก่อนเขาไม่ไมรักษาสีหน้ากันเวลาร่างกายของเขาตายไปเขากลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานกั น, น, นพวกสัตว์หลายเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนเรา แล้วพอร่างกายของมนุษย์ตายใจของเขาที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ก็ไปได้ร่างกายของเดลชานเพราะใจของเขาเป็นเดลชานใจของเขาไม่มีศีลห้าหรือถ้าไม่เช่นั้นก็เป็นเปรตเปรตนี้ไม่มีร่างกายเหมือนเดลชานเปรตก็คือกายทิพย์ที่มีแต่ความ หิโหยเป็นกายทิพย์ที่มีรูปร่างหน้าหน้ากลัวเขาเรียกว่าปากเท่ารูเข็มท้องท้องใหญ่เท่าเท่าตุ่มเียเพราะมันหิวกินเทไหรก็ไม่อิ่มในชะ่ไลาปากนิดเดียวนี่กินเข้าไปได้กินได้ทีละนิดแต่ท้องมันใหญ่กินเท่าไหร่ก็ไม่เต็มท้องทันที มันก็เลยหิวอยู่เรื่อยๆ อ, อยากอยากได้อยู่เรื่อยๆถ้าเรามีความอยากแบบไม่มีอยากได้ข้าวได้ของได้เงินได้ทองเนี่ยแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใดูคนบางคนที่ได้เป็นร้อยล้านก็ไม่พอพันล้านก็ไม่พอหมื่นล้านก็ไม่พอถ้าเขาได้เงินทองเหล่านั้นมาด้วยการทำบาปเนี่ย เขาก็ไปเป็นเปรตแลแต่ถ้าเขาได้มาโดยที่ไม่ได้ทำบาป ก, ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเราทำงากินโดยอาชีพสุจริตไม่ผิดศีลห้าแล้วเราเ่ํารวยขึ้นมานี้แล้วอยากจะรวยขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรายังไม่เป็นเ ป, นเปรตเรายังเป็นมนุษย์อยู่เพราะเราไม่ได้ไปทำบาปเรายังรักษาศีลห้าได้อยู่ แล้วถ้าเราเอาเงินที่เราได้มานี้ไปทําบุญเราก็จะกลายเป็นเทวดาไปเป็นเทพไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเนี่ยใจของเราเปลี่ยนไปตามการกระทําของเราถ้าทำบุญไม่ทําบาปก็ไปเป็นเทวดาแล้วถ้ารักษาศีลแปดได้ก็จะไปเป็นพรมกัน พรมนี่สูงกว่าเทวดาเทวดานี้เพียงแต่รักษาศีลห้าแล้วก็ทาบุญถ้าเป็นพรหมก็ต้องรักษาศีลแปดแล้วก็มานั่งสมาธิกันมานั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบใจก็จะเป็นพรหมขึ้นมาเป็นสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพถ้าเป็นความสุขก็มีความสุขมากกว่ากัน ถ้าเปรียบโรงแรมก็เหมือนโรงแรมห้าดาวกับโรงแรมหนึ่งดาวโรงแรมหนึ่งดาวนี่บริการไม่เต็มที่เหมือนกับโรงแรมห้าดาวโรงแรมห้าดาวนี่ของทุกอย่างต้องสุดๆที่นอนก็สุดๆห้องก็สุดๆของใช้ไม่สายในโรงแรมนี่สุดๆอาหารการบริการสุดๆหมดถ้าโรงแรมหนึ่งดาวก็แบบธรรมดา พอมีที่หลับที่นอนพอมีอะไรกินไปนี่แหละคุณค่าของศีลธรรมถ้าเราไม่มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมนี้เราจะไม่เห็นว่าจะรักษาไปทาไมไม่เห็นได้อะไรเพราะเราไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นกับใจของเราเราอยากจะได้ผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรา พอได้เงินมาเยอะๆนี่ซื้อรถเบนซ์ซื้อคอนโดแต่งเนื้อแต่งตัวก็รู้มีแฟนกี่คนก็มีได้เปลี่ยนแฟนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้คนเลยไม่ชอบรักษาศีลไงพนอะรักษาศีลแล้วทําแบบนี้ไม่ได้ อยากจะรวยง่ายๆเร็วๆนี่มันต้องโกหกกันต้องโกงกันต้องหลอกลวงกัน <S <S แล้วก็มนุษย์จะรักษาศีลแปดเปนังรักษาศีลแปดก็นอนกับแฟนไม่ได้ไม่ให้นอนกับแฟนไม่ให้กินข้าวเย็นเออไปถือว่าเป็นศ<ๆ>ีลแปดเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้ละครก็ดูไม่ได้เพลงก็ฟังไม่ได้ แต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้รักษาไปทำไมไม่ได้อะไรมีแต่เสียใช่หม เ, เสียทางร่างกายความสุขทางร่างกายทาหาความสุขทางร่างกายไม่ได้เลยแต่เขาไม่รู้ว่ามันทำให้เรามีเวลามาหาความสุขทางใจมาปั้นใจของเราให้เป็นพรหมขึ้นมาปั้นใจจากเทพไปเป็นพรหมขึ้นมา พรหมนี้มีอายุยืนยาวกว่าเทวดามีความสุขมากกว่าเทวดาเวลาเรานั่งสมาธิใจเราสงบนี่เราจะเป็นพรหมขึ้นมาทันทีเราจะมีความสุขมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปถ้าเรามีความสงบนี้ใจเรามีความสุขมากจะทำให้เรานี้ไม่หิวไม่หยกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ แฟนก็ไม่หิวโหวยทรัพย์สมบัติก็ไม่หิวหอยอาหารการกินอะไรต่างก็ไม่หิวโหวยกินก็กินเพื่ออยู่ไปวันวันหนึ่งกินก็กินไม่มากกินพออยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาเพราะไม่ต้องใช้ร่างกาย พาไปหาความสุขต่างๆคนที่นั่งสมาธิได้ก็อยู่เฉยๆอยู่บ้านก็ได้แเวลาไม่สบายก็ยังทําสมาธิได้อยู่นอนบนเตียงในโงรงพยาบาลก็ยังทําสมาธิได้อยู่ทำใจให้สงบได้ใจสงบมีความสุขไม่ว่าจะร่างกายจะอยู่ในในนักษณะไหนจะแก่จะเจ็บจะตายนี่ ใจยังมีความสุขได้อยู่แต่คนที่เอาสายร่างกายเป็นเครื่องมือห า, หาความสุขให้พอร่างกายแก่ก็หาไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็หาไม่ได้ตายก็หาไม่ได้เวลานั้นก็มีแต่ความทุกข์จะไปเที่ยวก่บเขาก็ไปไม่ได้จะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็หาไม่ได้ อันนั้นก็อยากจะข้าตัวตายนี่แหละเราไม่เห็นคุณค่าของการรักษาศีลว่ามันจะช่วยเราในยามยากในยามทุกข์คนที่ถือศีลแปดได้เนี่ยอดอยาขาดแคลนก็ไม่เป็นไรใไกินมื้อเดียวก็อยู่ได้กินวันละมื้อก็อยู่ได้หรืออดวันสองวันค่อยกินสักครั้งก็ก็ยังทนได้ พอเราเคยฝึกมาถ้าเราถือศีลแปดนี่เราอดข้าวเย็นเราก็ไม่เดือดร้อนคนที่ถือศีลแปดไม่เป็นนี่ถ้าไม่ได้กินข้าวเย็นก็จะตายให้ได้เนี่ยแหละเราไม่รู้คุณค่าของการรักษาศีลกันพอเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมกัน เราไม่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เลยไม่สนใจที่จะรักษากันมันก็เลยทําให้ใจเรานี้วุ่นวายคนที่ไม่รักษาศีลกับคนที่รักษาสีนี้ใจต่างกันนะคนที่รักษาสีนี้ใจจะสงบเย็นสบายคนที่ไม่รักษาสีนี้ใจวุ่นวายไปโกหกใครใ้ใจก็กังวลแล้ เดี๋ยวเขาจะจับได้หรือเปล่าโกหกแฟนว่าไปนู่นมานี่แต่ที่ไหนได้ไปจูจีอยู่กใครก็ไม่รู้ก็แฟนก็กังวลละกลัวจะคนที่อาจจะไปมีคนรู้จักไปเห็นเข้าแล้วเดี๋ยวเกิดไปบอกแฟนเนี่เนื้อม้วนแตกสลายขาดนะคนที่ไม่มีศีลเนี่ยจะทำให้ใจวุ่นวาย ไปลักษรัพย์ของคนอื่นก็ไม่สบายใจโกหกเขาก็ไม่สบายใจไปประพฤติผิดตัวเวณีก็ไม่สบายใจไปฆ่าผู้อื่นยิ่งไม่สบายใจแต่คนที่ไม่ได้ทำบาปในี่ใจจะเฉยๆจะไม่มีความวิตกกังวลว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดจะไม่เดือดร้อน เห็นตำรวจก็จะเฉยๆแต่ถ้าทำผิดกฎหมายนี่เห็นตำรวจใจไม่ค่อยสบายลวะขับรถไปเ็ามีด่านเรียกจอดทั้งๆที่ก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรมา แ, แต่เรารู้ใช่เราจะไม่สบายใจเฮ้ยมันจะมาจับเรารู้เปล่าเหตุใดเราอยากจะมีความสุขใจสบายใจอย่าไปทำบาปดีกว่า ได้ไม่คุ้มเสียตายไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกวิธีตกนรกก็คือทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเคยียดแค้นอาฆาตพยาบาทใครทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจก็ฆ่า เ, เลยเลือจ้างก็ฆ่าฆ่าเขาอาจจะไม่ติดคุกก็ได้อาจจะหนีรอดตำรวจจับไม่ได้ แต่นี้หนีหนีหนีนรกไม่ได้เพราะใจมันร้อนใจมันทุกข์เวลาไปทำใครใจมันร้อนกลัวเดี๋ยวดวงวิญญาณเขาจะมาทำเราเนี่ยนี่แหละประโยชน์ของศีลจะรักษาให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายกันถ้าเรารักษาศีลห้าได้ไม่ทำบาปห้าข้อ เราไม่ต้องไปเกิดในอบายเวลาตายไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้าได้ทำบุญก็ไปเป็นเทวดาก่อนไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปถ้ามันพระมาถือศีลแปดมานั่งสมาธิได้แล้วติดใจก็ทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆทำมากๆถือศีลแปดไปตลอดชีวิต นั่งสมาธิไปตลอดชีวิตนี่ตายไปก็ไปเป็นพรมได้แล้วถ้าไปอยากจะไปแบบไม่กลับก็ต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาให้รู้ว่าทำไมเรากลับมาเกิดกันเหตุที่ทำให้เราเกิดคืออะไรไม่มีใครรู้หรอก เราไม่ร ja ู้เสียได้ซ้ำไปว่าเราตายแล้วเราต้องกลับมาเกิดใหม่รู้ไหมอ่าแล้วทำไมเรามาเกิดกันได้ทั้งวันนี้มาเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะความอยากไงใช่ไหมอยากได้ราบยศสรรเสริญว่าอยากได้เงินกว่าอยากได้ตำแหน่งกว่าอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยอเปล่า อยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายหรือเปล่า <c oughs> อยากดูละคระครือเปล่าอยากฟังเพลงหรืเปล่าอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรืเปล่าอยากกินอยากดื่มรือเปล่าไอ้ น, นี่ไอ้ตัวอยากอันนี้มันทําให้เราต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายใช่ไหมเวลาไม่มีเราทําไงเราก็ต้องไปหามาใหม่นะเ่วลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ าเรายังมียังมีความอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากทำอะไรอยู่ก็ต้องมีร่างกายนีก่อนจะไปมีร่างกายได้ก็ต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนเวลาตายไปถ้าเป็นบาปมีบาปมากกว่า บ, บุญก็ไปใช้บาปก่อนไปเป็นเดราชฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกก่อนพอบุญกับพอบาปที่เราใช้ไปมัน มามีกำลังเท่ากับบุญบุญกับบาปเท่ากันมันก็มาเป็นมนุษย์ก่อนอถ้าเวลาตายไปบุญมีมากกว่า บ, บาป ก, ก็ไปสวรรค์ก่อนพอบุญมาเท่ามีเท่ากับบาป ก, ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะยังมีความอยากอยู่เช่นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมพอบุญที่ได้ส่งไปสวรรค์ชั้นพรหมมันอ่อนกำลังมันหมดกาลังมันก็ไม่สามารถ ส่งให้ไปอยู่ชั้นผมได้มันก็เลื่อนลงมาชั้นเทพจัดแท้ชั้นเทพมันก็เลื่อนลงมาชั้นมนุษย์เหมือนน้ำมันที่เราเติมเนี่ยถ้าเราเติมน้ำมันเต็มถังก็ขับไปถึงกรุงเทพได้ถ้าครึ่งถังก็ไปแค่เมืองชนเนี่ยมันก็เดี๋ยวพอน้ํามันหมดมันก็ต้องไปแวะต่อตามปั๊มใช่ไหมไ ป, ไปเติมน้ำมันใหม่ จะเติมน้ำมันได้ก็ต้องมาเป็นมนุษย์กันมาทำบุญมาทำบาปกันระหว่างเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานี่มันทำบุญทำบาปกันไม่ได้มันเป็นเวลาไปรับรับผลบุญผลบาปกันยกเว้นพวกเดรัจฉานมันยังต้องทาบาปตอบเพราะมันต้องเี้งปากนอกจากมันไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องกินด้วยการฆ่า เช่นผักพวกสัตว์ที่กินเจทั้งหลายนี่อาจกินหญ้ากินอะไรมันก็ไม่ได้ฆ่าแต่พวกที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่มันก็ยังต้องทําบาปต่อไปอันนี้ก็ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากตัดความอยากเนี่ยมาถือศีลแปดเนี่ย ถสินแปก็ให้ตัดความอยากที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมคนถือสินแปรนี้ไม่ต้องไปเที่ยวไปเที่ยวไม่ได้ไปนอนกับแฟนก็ไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงไปอะไรก็ไม่ได้ือให้ใช้ให้เราใช้ร่างกายสร้างความสุขให้กับเราให้มาใช้การนั่งสมาธิให้ความสุขกับเรา แล้วก็ใช้คําสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยหยุดความอยากต่างๆเวลาอยากจะดูหนังดูละครก็บอกว่าดูละเนี่ยต้องกลับมาเกิดใหม่นะเพราะมันจะติดเหมือนติดยาเสพติดถ้าอยากจะนอนกับแฟนเดี๋ยวก็ต้องกลับมานอนกับแฟนเนี่ยต้องกลับมาเกิดใหม่น ะ, ะ, ะถ้าอยากทำอะไรด้วยความอยากมันจะทําให้เราต้อง อยากทําอยู่เรื่อยๆใช่ไหมพอไหมทำทำอะไรตามความอยากแล้วเคยบอกว่าพอไหมไม่พอหรอกมีแต่อยากทําขึ้นไปเรื่อยๆเรื่องเราต้องใช้ปัญญาความรู้ที่พเจ้าทรงสอนให้เราด้วยว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเราต้องอย่าไปทําตามความอยากให้ เ, เราอยู่เฉยๆทาใจให้สงบอยู่กับสมาธิดีกว่า <S <S อยู่สมาธิแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดถ้าเราไม่ไปทําตามความอยากต่างๆถ้าเรายังอยากอยู่อยากไปเที่ยวเราก็ต้องมีร่างกายใช่อยากนอนกับแฟนก็ต้องมีร่างกายอยากจะกินเลี้ยงไปกินเลียงงานเลี้ยงก็ต้องมีร่างกายไปอยากจะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆก็ต้องมีร่างกายพาไปอยากจะไปท่องเที่ยวตาม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ต้องมีร่างกายพาไปหรืออยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องมีร่างกายอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นอะไรก็ต้องมีร่างกายอยากจะเป็นเศรษฐีก็ต้องมีร่างกายเราต้องตัดความอยากเหล่านี้ไปให้หมดมันไม่ตายหรอกไม่ไม่ไม่ได้ทำตามความอยากเหล่านี้ไม่ตายหรอก แต่ตอนนี่เรามาอยู่วัดเราตายป่ะเราไม่ได้ดูหนังตายป่ะไม่ได้กินข้าวเย็ยนตายหรือป่ะไม่ได้นอนกับแฟนตายหรือป่ะก็ทําไปเรื่อยๆสิต่อไปจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็บวชไปไม่ต้องกลับบ้านโทรไปบอกแฟนว่ายกสมบัติให้หมดนะฉันจะอยู่วัดสบายใจสิ แฟนจะไปนอนกับใครแล้วก็ไม่เดือดร้อนตอนนี้ถ้าเกิดไปดูว่าแฟนกับเราไปจู๋จีกับใครเป็นยังไง mm. เดือดร้อนขึ้นมาทุกข์ม mm. เราไปหาความทุกข์กันทาไมเ mm. ขาต่างๆนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเชื่อไหม mm. ถ้าเกิดใครโทรศัพท์มาบอกบ้านไฟไหม้ทุกข์ไหม mm. ถ้าเราไม่มีบ้านเราจะทุกข์ไหม mm. ถ้าเราไม่มีแฟนเราจะทุกข์ไหม ถ้าเราไม่มีทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองจะทุกข์ไหมให้ทุกข์สบายจะตายเลยนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการไม่มีความทุกข์นี่เงถ้ามีความทุกข์มันจะสุขได้ยังไงมีบ้านแต่ทุกข์กับบ้านนี่ทุกข์สุขไปทํามันจะมีความสุขได้ไง มีแฟนแล้วทุกข์กั บ, บแฟนนั้นมันจะเป็นความสุขได้ไหมมีสมบัติแล้วไปทุกข์กับสมบัตินี้มันมีความสุขได้ไ ม, ม, ออ í, ม, ไ ม, มันต้องไม่มีมันถึงจะไม่ทุกข์แต่มันยังทุกข์เพราะมันยังอยากอยู่ถ้าหยุดความอยากได้ก็จะหายทุกข์ถ้าไม่มีบ้านแล้วอยากได้บ้านแล้วก็หยุดความอยากได้บ้านยันมันก็จะไม่ทุกข์เพราะมันจะไม่มีบ้าน ความทุกข์นี่มันมีสองรูปแบบเวลาไม่มีก็ทุกข์ทุกข์เพราะอยากได้เวลามีก็ทุกข์เพราะอยากไม่เสียได้มาแล้วก็อยากไม่เสียเวลาไม่มีก็อยากได้ทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องเข้าใจไกนะ็กเราโง่กันวะไม่รู้ว่าเรากำลังหาความทุกข์กันด้วยการทำตามความอยากกันเวลาไม่มีแฟนก็ทุกข์ใช่มก็อยากจะมีแฟนใช่ไ พอมีแฟนก็ทุกข์อีกใช่ไหมทุกข์เพราะไม่อยากจะเสียแฟนเนี่ย <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้มองใ ห, ให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันทุกข์อ่ามันเป็นทุกข์แล้วเราจะได้ไม่อยากได้พอมัน อ, มอยากได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดที่เรากลับมาเกิดเพราะเรายังคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้มันสุขใช่ไหมอมีรูปเสียงมีลาบมีเงินทองสุขไหมอยากได้เงินทองไหมอยากได้ตําแหน่งสูงๆไหม อยากเป็นใหญ่เป็นโตไหมเป็นใหญ่เป็นโตมันก็นะไปไหนที่ไปทั้งขบวนนะไปไหนนี่มีคนเปิดปิดถนนให้วิ่งอย่างสบายมีใครไม่อยากเป็นบ้างไหมแล้วเกิดเวลามันมันถูกเขาเวลามันหมดไปลนะเวลาเวลามันตายไปมันก็หมดนะอ่ะอํานาจต่างๆก็หมด วเวลาเกิดสงครามเปิดแพ้สงครามเขายึดอำนาจไปก็หมดเวลาหมดมันเป็นไงสุขหรือทุกข์้าบ้านเขาอยู่กันธรรมดาก็าไม่เดือดร้อนใครจะปิดถนนให้ไม่ปิดถนนเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราเคยให้เขาปิดถนนนี่พอเขาไม่ปิดถนนให้เรานี่เราเดือดรนะ้อนยทุกข์ไหมนอ่นแหละ จงเห็นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ปัญญากันว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขหรอกแต่เราคิดไม่เป็นกันเราคิดแต่ว่ามันจะเป็นสุขอย่างเดียวโอ้ได้เงินแจะมีความสุขกันแต่พอได้เงินมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการรักษามันนั่นเองไม่เชื่อเดี๋ยวงวนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งดูดูจะทุกข์หรือสุขกันอ้าว <c oughs> <c oughs> ว่าถูกงั้นวันที่หนึ่งเนี่ยกูจะทํำไงดีเนี่ยจะบอกใครดีแล้วไม่ดีบอกเขาเก็บลอตตี่ไว้ตรงไหนอ๋อทุกใหญ่เลยเดี๋ยถ้าคนรู้เดี๋ยวพี่น้อง ม, มันรู้มาจากไหนไม่เคยเจอกันเป็นปีก็โผล่ามาเพื่อนฝูงไม่เคยเจอกันเป็นปีก็โผล่ามานี่ยแล้วพอก็มาขอเงินไม่ให้เขาก็ก็ด่าเราเองส่งเลยทุกเนี่ย รวยแล้วแทนที่เขาจะสรรเสริญยกย่องเรากับด่าเราไงอ้อเห็นแก่ตัวไม่รักเพื่อนไม่รักพี่ไม่รักน้องเนี่ยคิดอย่างนี้เสร็จคิดให้มันเป็นเนี่ยมันจะได้ไม่อยากกูไม่มีเงินดีกว่างวดนี้อยาโถูกดีกว่าถูกแล้วใจรูดขึ้นมา ลวง้องดูเนี่ยเจากราตั้งรีบนะเนี่ยใบนี้ไปเก็บไว้ที่ไหนดีเดี๋ยวกินไม่ได้นอนไม่หลับกับมันนั่นเนี่ยเดี๋ยวเกิดหายไปนี่โอ้โหเสียใจอีกนอนไม่หลับแต่ก็ยังอยากลำถุงกไนนั้นไม่รู้จเาวซอนตใช่ต้องติดไว้กับตัวแล้วเนี่ยปะไว้เลยนอนไม่หลับแต่ ยิ่งเสียแขกคงคงตำบนนะทำตัวไม่ถูกนั่นเราสโศกก็ทุกนอนไม่หลับมันสศกก็ทุกกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นโศกก็ทุกตอนได้ยิเสียงเดินก็คงจะมาพ่นลอตเตอีอ่าใช่อะไรก็จะคิดไปอย่างนั้นหมดเลยพอมีอะไรของดีนี่มันจะกลัวเขาจะมาเอาไปลนะไงแต่ถ้าไม่ถูกไปนะมาไว้ไหนก็เลยกลัวนี่แหละ ความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันพระเจ้าสอนให้เราคิดให้เป็นแล้วเราจะมองเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะเพราะมันไม่แน่นอนใช่ไหมมันอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้พอถูกตะลี่บปั๊บเนี่ยไม่เคยคิดว่ามันจะจากเราเมื่อไหร่แตตอนนี้มันเริ่มคิดแล้วจากไม่ได้แล้วใบนี้แต่ถ้าไม่ถูกนี่ไม่คิดมันจะจากก็จากไปไม่สนใจนั่นแหละ ยพยายามมองทุกอย่างเนี่ยเป็นทุกพอได้แฟนมาแล้วห่วงไหห่วงไหมได้ลูกมาแล้วห่วงไหห่วงไหมได้อะไรแล้วมาใจเรามันจะห่วงจะห่วงขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยากมีอะไรในโลกนี้ถ้ามีก็อย่าไปห่วงไปห่วงต้องคิดว่าเดี๋ยวมันต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วทุกคนที่เราอยู่ด้วยกนันนี่ต้องมีการพักพากจากกาัน บางทีไปก่อนที่เราคิดเนี่ยถ้าไปไปตอนที่เราคิดมันก็ไม่เป็นไรเพราะเราทําใจได้อ๋อตายแก่ตายวันนี้ล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้มันยังตายแบบหนุ่มแบบสาวนี่ ม, มันทําใจได้ไหมยังมีลูกสาวลูกชายนี่เวลาตายไปก่อนเรานี่เรารู้สึกยังไงเคยมีพ่อแม่เขาเสียลูกไปโอ้เขาบอกเขาไม่เคยคิดว่าใจขเขาจะทุกข์แค่ขนาดนั้นมันทุกข์ขึ้นมาเองตอนนี้ไม่ทุกข์เลย แต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานี่มันทุกข์ขึ้นมาเลยเงี่นถ้าอยากจะไม่ทุกข์เราต้องซ้อมไว้ก่อนคิดไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนว่เาเกิดมันตายไปวันนี้จะทําไงต้องทําใจนะอต้องสอนใจอยู่เลยถ้าสอนบ่อยๆคิดบ่อยๆเดี๋ยวพอเกิดขึ้นมันก็พอจะทําใจได้ถ้ามานั่งสมาธิมันจะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นตเลยเพราะเวลาใจสงบนี่มันจะเฉยกับทุกอย่าง มันจะไม่สนใจมันไม่เดือดร้อนมันไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่ดองกลับอะไรอันนี้หละเป็นประโยชน์ที่เราไม่มาทำกันเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านเงินทองร้อยล้านพันล้านทำใจให้เราสงบไม่ได้ทำใจให้เราไม่ทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าเรามาทำสมาธิทำใจให้สงบได้ใจเราจะไม่ทุกข์เลยเหมือนเหมือนคนอื่นตายนี่เราทุกข์ไมไม่ทุกข์เลย อันของต่างอย่างที่เป็นของเรานี่เราจะไม่ทุกข์กับมันเลยถ้าเรามีปัญญาความรู้ที่พระเจ้าทรงสอนให้เราคิดอยู่บ่อยๆว่าของทุกอย่างที่มีอยู่นี้ไม่ได้เป็นของเราหรอกเหมือนของเป็นของคนอื่นเดี๋ยวต้องจากเราไปถ้าเราคิดอย่างนี้พอมันจากไปเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่าเป็นของเราเราก็จะไม่ยอมให้มันจากพอมันจากเราก็จะทุกข์ขึ้นมา นี่แนะคือปัญญาความรู้ที่พระเจ้าทรงสอนถ้าเรามองเห็นทุกอย่างในโลกว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราเพราะว่ามันมันจะต้องจากเราไปเราก็จะไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรมีสามีตอนนี้เดี๋ยวเกิดสามีจากเราไปทําไงมีลูกเดี๋ยวมันจากเราไปทําไง มีทรัพย์สมบัติกาขอเงินทองเกิดมันล้มละลายไปทางไังนันอย่าไปมีอยู่แบบพระอยู่แบบชีดีกว่าถ้าอยู่ได้แล้วเราจะสุขจะสบายไม่มีความทุกข์กับอะไรเพราะความไม่มีนี้มันไม่มีความทุกข์นะถ้าเราไ ม, ม่ถ้ามันทุกข์ก็ทุกข์เพราะอยากมีเท่านั้นเองก็ต้องหยุดมันด้วยการทำใจให้สงบเวลามันอยาก อะไรก็ไปนั่งสมาธิแทนพอนั่งสมาธิทำใจใสงบมันก็หายอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็หมดไปพอความอยากหมดไปตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายอันใหม่นี่แหละเป็นเรื่องของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กันพวกเรายังกลับมาเกิดอีกไม่รู้กี่ล้านครั้งรู้เา ไคยเกิดมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยล้านครั้งแล้วยังจะต้องเป็นอย่างนี้ไปต่อถ้าเราไม่หยุดความอยากกันแล้วเกิดแต่ละครั้งก็ต้องร้องไห้กันทุกครั้งใช่ไหมชาตนี้เคยร้องไห้แล้วยังเคยแล้วการเก็บน้ําตาไว้มากไหมไม่ <c oughs> พระจัญชาบอกถ้าลองเก็บไว้เนี่ยน้ําตาที่เราร้องในแต่ละชาติเนี่ยถ้ามารวมกันแล้วมันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรซะอีก คิดดูี่ว่าเรากลับมานำมาเกิดมาร้องไห้กันกี่กี่กี่แสนล้านครั้งถึงจะได้น้ำตามากกว่าน้ำในมาหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนที่เกิดของพวกเราปริมาณของความทุกข์ของพวกเราที่เราร้องโหมร้องไห้กันเนี่ยมันมากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรเลยน้ำตาที่เราหลังแล้วเรายังไม่ยอมเรายังไม่คิดจะหยุดกันเ ต้องคิดละถ้าอยากจะหยุดก็ต้องมารักษาศีลกันมานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันแล้วก็มาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าทุกอย่างเป็นทุกข์พยายามมองและเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ให้ได้ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันเปลี่ยนได้เวลามันดีมันก็สุขเวลามไม่ดีก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้น来 เว้าได้แฟนใหม่ๆนี่ดีไหยดีใช่ัหยแล้วต่อไปมันดีไหยไม่ดีอะเพราะมันเปลี่ยนไปใช่ไหม <S <S <ช>อ่ามันมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนใช่ไหมเออนั่นแหละเขาเรียกอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เหมือนเดิมไม่คงเส้นคงวาดีตอนต้องเหมือนน้ำตาลเครือบอยาขมเน ะ, ะเอาใหม่ๆนี่หวานจ้อยเลย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวพออมไ่สักพักนึง น้ำตาละลายหมดละเล้วแต่ความขมนะนี่อันนี้ก็เกินไม่เข้าทายไม่ออกอะจะเลิกกันก็ไม่ได้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่สุขเหมือนตอนที่พบกันใหม่ๆมันก็เลยมันก็เลยทุ ก, กันไปจนมันตายแล้วนะทุกสลับกับความสุขวันไหนก็ดีก็สุขไปวันไหนก็ไม่ดีก็ทุกอีกพอเขาเลิกไปแล้วสุขค่ะอ่ใช่ไหม แต่ก่อนจะเริกก่อนจะเริกนี่ก็ร้องไห้กันน่าดูใช่ไหมใช่แต่พอได้ได้เริมกันแล้วสบายมากหมดห่วงใช่ไหมใช่ต้องกังวลอะไรแล้วก็อยากจะมีใหม่ไหมไม่เหมอนจบแล้วเขินแล้วหรอแน่ใจเหรอค่ะแล้วก็แล้วก็เจอคู่กรรมมาใช่ไหก็เิ่มกันไปสืงสิ่งปฏิบัติธรรมดีกว่าเป็นกัลยาณมิตรดีกว่าออไม่ไม่ระแวงหา นมีความสุขแล้วฟังหนูฟังไว้จ้คนคนคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าต้องไม่เจอเองมันไม่เชื่อหรอกสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นจ้ะแ้่หนูบอกนี่หนูก็ไม่เชื่อใช่ไหมต้องเจอเองเนี่ยเพราะไม่มีรัสบายเอ่า อากมาวัดก็ได้มาอยาอจะทําอะไรก็ได้ทําไม่ต้องกังวลไม่ต้องคอยว่าเออต้องกลับไปหาข้าวให้เขาต้องไปรายงานตัวต้องไปขออนุญาตมีสละเอบางครั้งต้องโกงเองทีเรามาวัดเราก็ต้องบอกว่าอย่างเช่นเขาไม่ชอบก็ต้องโกหกสิ่งของไปชอบปิ้งไปอย่างเงี้ยบางที่มันขัดกันใช่อสิ่งนี้ดีกว่าอ ฟังไว้นะคนที่เป็นโสด ต, ตั้งหลายฟังจากคนที่มีประสบประการมีแล้วมันทุกข์ทุกข์มันมากกว่าสุขสุขมั น, นก็เป็นเหมือนน้าตาลเคลือบยายาขมนี่ความสุขเคลือบความทุกข์ใหม่ๆก็สุขพอสักพักมันก็หาละลายไปหมดเนื่แต่ความทุกข์ทุกข์ในรูปแบบต่างๆ นี่คือเรื่องธรรมะถ้าเราไม่มาวัดเราจะไม่ได้ยินเรื่องทุกข์กันในโลกนี้ก็จะมองทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุขกันใช่ไหยหากันแย่งการกัดกานตีกันฆ่ากันเพื่อหาสิ่งต่างๆที่ที่เป็นความทุกข์กันแต่ถ้ามาวัดแล้วมาฟังด้วยเหตุด้วยผลเราจะเห็นว่าทุกอย่างเราหาความทุกข์กันทุกวันเนี่ยไม่ได้หาความสุขกันหรอก การหาความสุขก็มีแต่ไม่รู้กั น, นหาความสุขก็เนี้ยมาบวชชีบวชพระกั น, นบวชสั้นบวชยาวถ้าอยากจะสุขยาวก็ต้องบวชยาวถ้าสุขสั้นก็ บ, บวชสั้นเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวสึกปับกลับไปอยู่บ้านก็ไปทุกข์กับคนที่บ้านนองแต่ถ้าอยู่วัดไปได้ตลอดก็ไม่ต้องทุกข์กับใครต้องไปอยู่วัดที่ไม่ต้องยู่กับใครนะ บางวันก็ไปทุกกับคนที่อยู่วัดด้วยกันต้องมาอยู่วัดที่มีกรรมการมีคอยมีคอยห้ามห้ามศึกมีอาจารย์ดุดุถ้ามีหลวงตาหลวงพ่อดุดุนี่จะไม่มีเรื่องกันถ้าไม่มีหลวงพอ่อหลวงตาดุดนี่โอ้เดี๋ยวมันก็ไปตีกันในวั ด, ด, วดวอีกนะการรู้สึกว่าอยู่วัดในในเป็นเป็ น, ปนชีนดูบุ่นวายหนึง่งก็คือต้องดูแล การงานวัดด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยเราต้สึกว่าถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราปฏิบัติโ ด, ดยลําพังเราจะง่ายกว่านหมครัง่ายกว่าถ้าเราไม่มีภาร ะ, ะอะไร<ฮ>เราก็ไปอยู่วัดที่เขาไม่มีภาร ะ, ะสิวัดที่เขาเป็นวัดปฏิบัตินี่ก็ไม่มีภาร ะ, ะอะไรนอกจากาทํากับข้าวมื้อเดียวกินมื้อเดียวนี่เรื่อว่าช่วยกันทําอาหารถวายพระแล้วก็แบ่งกินกันแล้วก็ช่วยกันบาดกราดที่พักอยู่อาศัย ไม่มีงานอะไรต้องทําำให้ไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบอา่อานหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมกันถ้าไปอยู่ตามวัดป ฏ, ฏิบตัติเขาจะมีแค่นี้นะ<ม>ก็ทำพระก็ต้องไปบิณฑบาบดหาข้าวกินโยมก็อยู่ที่โรงครัวก็ทกํากข้าวกินกันเองแล้วทําไปถวายพระพระก็แบ่งกับข้าวที่ได้จากบิณนบาตไปให้โรงครัวแบ่งกันกิน อ, อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นงานมากไม่ไม่ เป็นงานจําเป็นต้องทากันทุกคนไม่ใช่เป็นวัดบางแห่งให้ไปนั่งขายของในวัดอีกไปขายพระพุทธรูปไปขายอะไม่ใช่งานนั้นงานแบบนั้นอย่าไปทำก็ก็คิดจะบวชชีอยู่เหมือนกันแต่กําลังแสวงหาที่ว่าเป็นวัดปฏิบัติใช่เป็นวัดที่ปฏิบัติวัดใช่ไหมวัดปฏิบัติเนี่ยตอนนี้ก็เลยพยายามที่หมั่นสื้อสินแวดลอย ซ่อมไม่ก่อนเจมไม่ก่อนพอได้ที่ก็ไปเลยได้ค่ะคิดคิดไว้แล้วค่ะออแต่กําลังหาอยู่อหาไปเรื่อยๆเนี้ยก็เจอเองเพราะว่าไม่มีความกังวลอะไรแล้วตอนนี้ดีนั่นแหละทางไปสู่ความสงบทางไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์เพราะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่ต่อไปอก็ต้องเริ่มต้นที่การรักษาศีลนี่แหละ ศีลห้าก่อนแล้วก็ศีลแปดแล้วก็หัดฝึกนั่งสมาธิจเจริญสติอยู่เรื่อยๆนั่งนั่งสมาธิจะสงบก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันก็นั่งคิดคิดมันก็ไม่สงบถ้ามีสติก็หยุดความคิดได้เรานั่งสมาธินี้เราต้องบังคับไม่ให้มันคิดใช้พุทธโธบังคับมันมีสติค่ะแต่เมื่อยค่ะเมื่อยก็นั่งสิ ทำไมนั่งก็ยังเมื่อยเลยเวลานั่งสมาธินั่งห้อยเท้าก็ได้ะถ้านั่งพับเพียบไม่ได้นั่งนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งห้อยเท้าก็ได้อืแต่ถ้านั่งพับเพียบได้มันจะมันจะดีกว่าถ้านั่งขัดสมาธิได้มันจะดีกว่าเพราะมันจะนั่งได้นาน่ะสงบได้นานถ้านั่งไม่ได้ก็นั่งห้อยเท้าก็ได้นั่งก้นอี้ก็ได้ ขอให้มีสติสาคัญกว่าท่านั่งถ้ามีสติมันก็สงบได้เียนต้องฝึกฝึกสติให้มากๆสตินี่เราฝึกได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นเลยพุโทโธไปทั้งวันได้อย่าปล่อยให้ใจคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คิดแล้วก็จะทาให้เกิดอารมณ์เกิดความอยากเกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมา ถ้าอยู่กับพุโทโธพุธโทโธมันก็จะเย็นจะสบายพอนั่งมันก็จะนิ่งถ้าไม่นั่งมันไม่นิ่งเพราะร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่ยังทําอะไรอยู่มันนิ่งไม่ได้อยากให้มันนิ่งร่างกายต้องนิ่งก่อนกายต้องวิเวก ก, กายต้องสงบก่อนใจเย็นถึงจะสงบได้กายวิเวกใจวิเวกวิเวกก็คือสงบสงัดนี่สงบแล้วก็มีความสุข ก็จะไม่ต้องไปหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราและเวลามีความอยากก็สอนใจว่าอย่าไปไปไปหาไปหาความทุกข์ไปหาการเงินว่ายตายเกิดการทำตามความอยากนี้จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดจะทำให้เราต้องไปหาอยู่เรื่อยๆอยากได้สิ่งนั้นพอได้มาแล้วเดี๋ยวหมดไปก็ต้องไปหาใหม่ ดูละครจบเรื่องเดียวพอไม่ไม่พอเนยเดี๋ยวก็อยากจะดูอีกเรื่อง <c oughs> ไปเที่ยวครั้งเดียวพอไม่ไม่พอเนยไปครั้งนึงติดใจอยากจะไปนะถ้าเราฝืนต่อไปความอยากไปมันก็ไม่มีเองเหมือนคนฝืนบุหรี่ถ้าอยากจะสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบมันทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเนยเดี๋ยวความอยากมันก็หายไปมันก็หมดไป อาจจะฝืนได้ต้องมีสมาธิมีความสงบมีความสุขถ้าไม่มีความสุขนี่มันฝืนไม่ได้พออยากได้อะไรต้องปุ๊บไปเลยพอได้แล้วมันพอได้ทำแล้วมันมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้ามีสมาธินี่เวลาไปทําตามความอยากนี้มันจะมาเปรียบเทียบมันเห็นว่าความสุขที่ได้จากการทําความตามความอยากกับความสุขที่ได้จากสมาธินี่มันต่างกันมาก ความสุขที่ได้จากสมาธิดีกว่างั้นต่อไปเวลาอยากอยากจะได้อะไรก็ไปนั่งสมาธิดีกว่าอยากจะไปเที่ยวก็ไปนั่งสมาธิดีกว่าแล้วต่อไปก็ไม่ต้องไปเที่ยวได้อยู่วัดได้อนี่คือเรื่องของธรรมะเรื่องของศีลธรรมที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ อสิลธธรรมนี่จะทำให้จิตใจเราพ้นทุกได้แต่สิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะทำให้เรามีแต่ความทุกข์กันจะทำให้เราติดอยู่กับการต้องมาเจอมันอยู่เรื่อยๆเป็นเหมือนยาเสพติดยพยายามเข้าวัดบ่อยๆมีเวลาว่างก็เข้าวัดอยู่บ้านก็ถ้ามีเวลาก็ปฏิบัติที่บ้านอ่านหนังสือธรรมะไปแต่ถ้ามาอยู่วัดวัดที่เงียบสงบนี่มันจะ มันจะได้ประโยชน์มากกว่าเหมือนรักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวที่โรงพยาบาลอันไหนมันจะดีกว่าโรงพยาบาลมีเครื่องม้เครื่องมือมีหมอมียาพร้อมกว่าอยู่ที่บ้านแต่ถ้ายังไม่มีเวลามาโรงพยาบาลก็รักษาที่บ้านไปก่อนอยู่ที่บ้านรักษาศีลห้าไปหรื่องรักษาศีลแปได้ก็รักษาไปนั่งสมาธิได้มากน้อยเท่าไหร่ก็พยายามนั่งไป อ่านหนังสือธรรมะฟังเทศได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ฟังไปหรือพิจารณาเองก็ได้พิจารณาว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์อยากจะได้ลรวลองดูีิว่ามันเราจะมองเห็นว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่ดูีิว่าไอ้นี่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขถามตัวเองดูเวลามีกับไม่มีมันอันไหนจะดีกว่ากันใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแฟนแล้วดีกับตอนมีแฟนหมดีมากกว่าอ่ะดีกว่า ่ไปลองแบบไม่มีเงินดูเลยไม่มีเงินเที่ยวแต่มีเงินไว้สําหรับกินไปใช้ใช้กับของจําเป็นแต่ไม่มีเงินเที่ยวไม่มีเงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆดูซิว่ามันจะสุขสบายกว่ากันไะมมีเงินมันก็ต้องไปวุ่นวายกลับไปซื้อข้าวซื้อของซื้อกลับมาแล้วก็ต้องมาหัดใช้ข้าวของนั้นแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษามันเดี๋ยวมันเสียก็ต้องส่งไปซ่อม ถ้าเกิดมันหายไปก็เสียใจนี่คือเรื่องของธรรมะเรื่องของศีลธรรมที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าลาบยศสันทเสนมากกว่าสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เพราะจะทําให้เรานี้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงและทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันนันก็ขอให้เอาไปพิ จ, จารณาเอาไปปฏิบัติกัน การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสักะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังเกปะเมวะสมิจัตุสาเภปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทนสีริจานิจจังวุทธาปจายโน กตาโรธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังเวลาใครก็ถามว่ารักษาสินทำไมก็บอกกูจะได้ไม่เป็นเดรัจฉานไม่ได้เป็นคนมันจะได้คิดกันบ้างคนมันจะได้คิดกันบ้างเดีวว่าจะไปพูดแบบนี้ เราไมรักษาสนีนเป็นหมานะเป็นหมาเป็นเป็ด น, น, นะตกนรกนะนรกอาจจะมองไม่เห็นแต่แต่หมาแมวนี่เห็นชัดนะใช่ไหมหมาแมวมันมีสีห้าไหมไม่มีนะมันอยากจะขโมยมันก็ขโมยมันอยากจะนอนกับใครมันก็นอนนะล้วมนุษย์เราก็ไปทำเหมือนมันไนงะแล้วมันจะไปเป็นมนุษย์ได้ยังไงใช่ไหมมนุษย์ก็ต้องมีสีห้าเลย วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ลนะ่ะวันนี้ยูท b e มี25คนครับเฟซบุ๊ก407คนคอ๋อวันนี้เยอะนะ407ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกละรู้ป่ะเนี่ยรูค่ะอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวเก็ดแฟนอาเห็นเข้าเดี๋ยวแฟนเนี่ยไม่มีแฟนแล้วใช่ไ้ยเลิกกันแล้วอ๋อ12ปีแล้วโอ้12ปีแล้วเลิกนานแล้วเลยปงได้แล้วปงง่าย เดยางพราจารว่าให้ให้ปฏิบัติต้องทิ้งสามีแล้ก็พยายามเรื่อยๆอธิษฐานกับพระนะคะสามีเขานักถึงพิการมันดีขึนดีเขาก็บอกว่าเขาอยากกลับไปอยู่บ้านกาอทุโมธนาแต่พอไปแล้วที่แค้นมากกลับกลายเป็นที่จะสบายใจไปนึกนอนนึกนี่กลายเป็นอารมณ์โทสะขึ้นมาไปแค้นทาไมล่ะแค้นก็ทาไมก็เป็นความความจเดิมๆมาค่ะที่มันไม่เคยจำมันก็ก็จะเอาแพ้เชนะกันอยู่แต่ก็ ใจหนึ่งก็รู้สึกเบาตัวสบายใจแบบเป็นธัรมที่เราอธิษฐานอแล้วอธิษฐานทุกทุกวันว่าขอให้เป็นอิสระเขาก็ไปตามเขาคงเห็นคุาคพระอาจารย์ค่ะเลิอกันเลยเหรอเขาก็แยกไปเฉยๆค่ะเขาแยกไปเฉยเาก็แยกไปอยู่สักพักหนึ่งก็ยังไม่ยังไม่ขาดไม่ได้โกรธกันนะยังไม่ได้ตัดขาด เราก็จะรู้สึกสบายขึ้นปฏิบัติได้เดยอะขึ้นแล้ถ้าเขากลับมาจะทําไงว่าเขา อ, อยากกลับมตอนนี้กำลังเครียดเลยอยากลับไม่กลับก็เลยยังไม่คิดก่อนนะคะปล่ อ, อ, อยก่อนจะทำให้เต็มที่ก่อนยังยังยังยังยังตัดไม่ขาดก็ <c oughs> แต่ขาดได้ก็ดีนะคะแ <c oughs> <c oughs> ต่จะสบายขึ้นต้องปฏิบัติเยอะๆถ้าจิตสงบแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรใช่ถ้ามันยังไม่สงบมันก็ยังยังมีความอยากอยู่ ตอนนี้ถ้าเห็นเขาเราก็ยังเฉยเฉยค่ะเขาก็มามาหาลูกแต่ถามว่าคุยไหมคุยอก็เป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันไม่ต้องเป็นจัตโต้กันเลิกกันก็เลิกกันเรื่องทางเพศท่างนั้นเองแต่เรื่องนี้เขาต้องฝเลยมาทำเองด้วยอจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่ชอบมาว่าประเดีเราทําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นเขาก็ก็ศรัทธาขึ้นมาได้ ตัวเขาเองก็ดีเพราะว่าเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันเลยเลยอยู่ไม่กังวลอยากคุยกันได้ไมเดี๋ยวนักเรียนต้งฟังครูอยากคุยกันออ่น้่นักถือที่สีสละหนนะคะแต่ว่าเขาก็มาวัดด้วยแต่พอตอนหลังพอเราปฏิบัติมากเข้าก็เหมือนจะเขาเขาก็ถูกดึงไปทงคลิกเหมือนเดิม ก็เหมือนกันจริงๆนะเขาเนี่ยเข้าคุบาอาจารย์ได้ดีมากแล้วก็อืจะมาทางพูทยเยอะน้เค้ากลัวเข า, <c oughs> ขาเขาอยากไปดึงกลับอืเขาก็เลยเหมือนกับทำํำในถูกก็เลยบอกเขาว่าก็ลองไปอยู่กับครอบครัวดูก่อนแล้วก็ตัดสินใจดูว่าอือะไรดีกว่ากันออเปรียบเทียบดูแต่เขาก็บอกว่าทางคุทธถ้าไม่มีคําตอบอะไรที่ชัดเจนอืมแต่ว่าก็ก็อยากลองดูก่อนอ่า ศา ส, สนาทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันให้รักษาศีลเหมือนกันไม่ให้เบียดเบียนกันอาจจะมีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันแล้วแต่คนสอนว่ามีความรู้มากน้อยศาสนาอื่นอาจจะไม่เห็นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยไม่ได้คิดว่าการรักษาศีลนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปร เขาก็คิดเ็งแต่ว่าถ้ารักษาศีลอยู่ร่วมกันก็สงบทุกคนก็ไม่มาเบียดเบียนกันสังคมก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขเขาก็มองในแค่ปัจจุบันแต่เขาไม่มองถึงอนาคตเพราะเขามองไม่เห็นเขาเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากปัจจุบันจากการที่มีศีลไม่ฆ่ากันไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตวเวนีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมา มันก็จะทำให้คนอยู่ร่วมกันนี่ปลอดภัยเขาก็เห็นแค่นี้ทุกศาสนาก็จะสอนเหมือนกันหมดระดับศีลระดับทานนี่จะเหมือนกันฐานก็รู้ว่าถ้าให้ทานกันทุกคนก็มีความสุขแบ่งปันกันคุณให้เราเราให้คุณนี่ช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาทุกศาสนาก็จะสอนเหมือนกันระดับพื้นฐานนี่สอนเหมือนกันจะไปต่างตรงระดับสูงระดับที่จะ ระดับปฏิบัติเนี่ยยังไม่มีมีเพราะพุทธศาสนาที่รู้เหตุรู้ผลทั้งหมดว่าทำไมต้องปฏิบัติเพราะต้องการจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่ศาสนาอื่นเขาคิดว่าตายแล้วก็บางศาสนาคิดว่าเดี๋ยวก็จะมีพระเจ้าลงมามารับขึ้นสวรรค์ไปตอนนี้รอไปก่อนให้นอนอยู่ในหลุมไปก่อน <c oughs> <c oughs> อ่า อ, อ่าอะไรตามสบายเดี๋ยวก่อนอ่ะเขาจะกลับใครจะอยู่ก็อยู่นะใครจะไปก็ไป <S <S ถ้าจะคุยต้องคุยคุยทางนี้อย่าไปคุยทางนู้นอยากจะคุยถามได้เลยอยากจะถามอะอั น, นอันนี้ที่ออร์แกเล่ไปเยอะเลยคืนนี้ ก็เขียนไว้จากไว้ก่อนเลยเขียนสัญญาไว้ก่อนเลยสัญญาบริจ่าให้วัดให้วัดเลยพอถูกก็ยกไปให้เอาไปให้ที่สัญญางานก็เลยแล้วก็บวดชีด้วยลาท่านจุาทาุ อ๋ออย่างเวลานั่งนี่เป็นช่วงทาแต่สมาธิอย่างเดียวคนลากรอบเวลากันทาคนละกรอบเวลาลเลาหมือนการเรียนหนังสือคนละวิชากันถ้าเรียนสมาธิก็เอาสมาธิอย่างเดียวอนพอหมดจากาขาบของสมาธิแล้วจะไปวิปัสสนาก็ไปที่หนึ่งหรือถ้านั่งแล้วจิตสงบก็ให้มันสงบไปอย่าไปทำอะไรให้มันสงบนา น, น, าน แล้วเวลาออกจากสมาธิมาแล้วทีนี้จะไปทางวิปัสสนาก็เอาความคิดนี้ไปคิดในทางที่เป็นปัญญาเป็นตามความเป็นจริงอย่างที่เมื่อกี้สอนนะ่ยให้มองว่าทุกอย่างเป็นทุกแฟนเป็นทุกอยากไปมีแฟนมันก็จะตัดปัญหาได้ถ้าเราไม่มีวิปัสสนาเดี๋ยวเห็นแฟนเข้าก็อยากจะมีแฟนขึ้นมาเอามีแฟนแล้วก็ต้องมาทุกข์กับแฟน ทุกขับครอบครัวมีแฟนแล้วก็ต้องมีลูกอีกมีลูกแล้วก็มีปัญหาต่างๆตามมาเต็มไปหมดถ้าไม่มีอยู่ตัวคนเดียวนี้ก็ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญญาก็จะตัดปัญหาได้ที่ต้นต้นนมเลยถ้ามีปัญญาก็ไปเลยเดี๋ยวก็ไปมีแฟนแต่งงานกันมีลูกกันเลี้ยงลูกกันต้องมาหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวส่งลูก กว่าจะจบนี่หมดไปไม่รู้กี่แสนกี่ล้านนะแล้วเดี๋ยวลูกก็แต่งงานไปก็ทิ้งเราอยู่ดีนะนี่เรียกว่าปัญญาปัญญาต้องมองทุกอย่างในโลกนี้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนะอย่างที่เทศให้ฟังเนี่ยเป็นปัญญานี่เราต้องออกไปคิดบ่อยๆเพราะถ้าไม่คิดเดี๋ยวลืมเก็ดอะไรไหมต้องไปคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะได้ไม่ลืมให้จดให้จา เหมือนเหมือนกับท่องสูตรคูนี้สองเป็นสองเป็นสองคูนสองเป็นสี่สองคูนสี่เป็นแปเนี่ยท่องไปให้มันจำให้ได้แล้วก็มาท่องว่าทุกอย่างเป็นทุกขเงินทองเป็นทุกขยศเป็นทุกสรรเสริญเป็นทุกคนนั้นคนนี้เป็นทุกขสิ่งต่างๆเป็นทุกหมดเพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนได้จากดีกลายเป็นไม่ดีได้ เวลาได้ของดีมาก็ดีใจเวลาของเสียไปก็เสียใจถ้าไม่มีก็ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจแล้วก็ถ้าอยากจะหยุดหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสมาธิถ้าสู้ความอยากไม่ได้ก็กลับไปนั่งสมาธิต่อสลับกันเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็คิดทางปัญญาเวล า, เ, าเวลา เวลานั่งสมาธิก็ไม่ต้องคิดอะไรให้นิ่งเฉยเให้สงบ น, น, นานๆตอนต้นถ้ายังนั่งสมาธิไม่เก่งอย่าเพิ่งไปทางปัญญาก็ได้เวลาเอาอจากสมาธิมาก็ให้พุทโธพุทโธ ร, รักษาใจให้สงบไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเดีย๋ยวถ้าคิดไม่เป็นมันจะคิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางความอยากมาฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนเ ว, เวลาเวลาเกิดความอยาก อย่างไ้ยก็ใช้สมาธิช่วยได้เวลาอยากปุ๊บก็กับเข้าไปในสมาธิก่อนถ้ายังใช้ปัญญาตัดไม่ได้แต่ถ้าเราชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วเก่งแล้วเหมือนขับรถเนะ่เวลาขับรถใหม่ๆยังไม่ชำนาญเรายังไม่กล้าออกไปถนนใหญ่เราก็หัดขับในบริเวณบ้านในเวถนนที่ไม่มีรถวิ่งเยอะๆก่อนขับให้มันชำนาญจะมีความมั่นใจ มั่นใจนะที่นี้ก็ออกถนนใหญ่ได้ตอนต้นถ้าสมาธิเรายังไม่ชำนานก็อย่าเพิ่งออกไปทางปัญญาให้ฝึกสติให้มากๆเวลาออกจากสมาธิมาก็พุทโธต่อไปอย่าไปคิดอะไรหยุดความคิดให้ได้ก่อนแล้วทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเราต้องการให้มันสงบเมื่อไหร่ก็สงบได้ชำนานแนละ้วเก่งแล้วที่นี้เราก็ไปทางปัญญาได้ เผื่อไว้ไปเกิดเวลาไปทางปัญญาแล้วไปคิดไปในทางกิเลสแล้วทำให้ใจร้อนขึ้นมาก็กลับมาในสมาธิเข้าสมาธิได้หยุดหยุดความร้อนของใจได้ถ้าสมาธิไม่ชัางนานบางทีไปทางปัญญามันกลายเป็นกิเลสเป็นไฟขึ้นมานี่มันหยุดไม่ได้ดันตอนต้นอยังไม่ต้องกังวลกันเรื่องปัญญามากตอนต้นนี่ให้กหังวลกันเรื่องการสร้างสมาธิกันให้มากมากกัน นั่งสมาธิให้ได้นานๆ น, นั่งครั้งกีละครั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยนั่งบ่อยๆนั่งมันทั้งวันเลยถ้าทํานานแล้วทีนี้ก็ไปทางปัญญาต่อไปคือสตางค์บาริบานี้มันไม่เหมือนกับการทางโลกทางโลกเรียวิชานี้พล้วก็ไปต่อวิชานี้ได้เลยทางปัญญานี้กว่าจะได้สมาธิบางทีเหยื่อขึ้นคอ ไปนั่งสมาธิเป็นนี้อาจจะเป็นเวลาสี่ห้าปีหกปีเจ็ดปีแล้วแต่ฝึกมากฝึกน้อยถ้าไม่มีสมาธิไปทางปัญญาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะจะสู้ความอยากไม่ได้มันจะมองไม่เห็นมันจะเห็นความทุกแต่แต่ความหลงมันจะไม่บอกมองมันจะทําให้เรามองไม่เห็นว่าเป็นทุกทุกยังไงว่ายังเห็นสุขอยู่เพราะมันมีสุขอยู่ด้วย มัมีสุขการก็อยู่ข้างหน้าความทุกข์มันจะอยู่หลังฉากมันจะมองไม่เห็นถ้าไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่แหลมคมจะมองไม่เห็นความทุกข์เลยถ้าไม่มีสมาธิพออยากขึ้นมาปั๊บก็สู้มันไม่ได้ก็ไปทําตามความอยากทันทีแล้วก็ไปไปทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเป็นปัญญาก็เป็นงานระดับที่สอง งานระดับแรกนี่คือสมาธิเอาสมาธิให้ชำนานก่อนแล้วก็ไปทางปัญญาต่อไปถ้าสมาธิชำนาญแล้วไปทางปัญญาเดียวเีวพอรู้ว่าเป็นทุกข์ก็ตัดได้พอรู้ว่าไม่เที่ยงก็ตัดได้หยุดได้หยุดความอยากต่างๆได้อาจารย์ในในปัญญานี่มันก็คือการเกิดดับ การเริม่มต้นการจบอะไรนี้หรือเปล่าฮะไม่คือให้มองทุกอย่างว่ามันเปลี่ยนแปลงไงมีเกิดมีมีดับได้เงินมาปั๊บเดี๋ยวเงินหมดมันก็ดับไปแล้อได้ตําแหน่งมาเดี๋ยวตําแหน่งก็หมดไปเอได้แฟนมาเดี๋ยวแฟนก็ไปได้อะไรมาเดี๋ยวเ้าก็ต้องไปได้ร่างกายนี้มาเดี๋ยวมันก็ต้องไปอไม่ว่าจะได้อะไรมานี้มันจะต้องไปหมด เวลาไปมันไม่ดีใช่ไหมอ่านั่นแหละที่ทุกข์กันก็ทุกข์ตอนที่มันไปใช่ไหมหรือตอนที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันยังไม่ไปแต่มันเปลี่ยนละเขาที่ใช้ได้เนี่ยถ้าเกิดเครื่องนี้มันเสียแล้วมันดีไหมมันยังไม่ไปแต่มันเสียแล้วใช้งานไม่ได้เต้องไปซ่อมละอย่างนี้มันสุขแล้วมันทุกข์เราลองเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างเนี้มันไม่เหมือนเดิมได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยน ส่วนใหญจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีทางที่ดีไม่เปลี่ยนหรอกใช่ไหมมีแต่ไม่มีแต่ได้ามาแล้วเดี๋ยวใช้ไปเดี๋ยวก็เสียไม่งั้นเดี๋ยวก็หายพอไปลืมทิ้งไว้ที่ไหนก็หายไปแล้วก็ทุกเลยไม่มีใช้แล้วก็ต้องฟักกระเป๋าฝากกระเป๋าเงินที่ได้มาก็หายไปแล้วเยต้องเห็นม่าทุกอย่างมาแล้วต้องไปมีเกิดมีดับอ พอมันไปมันทําให้เราทุกข์กันแต่เวลามานี่เราดีใจกันมีความสุขกันเราจึงมองแต่ส่วนที่ที่ทําให้เราสุขคือตอนที่เราได้มันแต่เราไม่มองตอนที่มันจากเราไปหรือตอนที่มันเปลี่ยนไปถึงอยากจะมีแฟนกันแล้วก็อ๋อมีแฟนกันแล้วเดี๋ยวสักพักก็ได้ข่าวเลิกกันลนะอย่า ก, กันละเบื่อลนะเพราะมันเปลี่ยนไปละ เวลาอยากได้กันนี่ก็ดีต่อกันเอา อ, อกเอาใจกันนะพอได้กันแล้วทีนี้ก็เอาใจตัวเองก็เลยต่างคนต่างเอาใจตัวเองเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ น, ะนี่ก็อั น, นิจังเปลี่ยนไปใช่หมตอนต้นเอาใจเขาพอได้เขาแล้วก็เอาใจเราสิเปลี่ยนแล้วไ้มเราเอาใจเราเขาก็เอาใจเขาต่างคนต่างเอาใจตัวเองก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้วิปัสสนา จะคิดก็ได้แต่คิดแล้วจะทําใจได้หรือเปล่าคนที่จะคิดอย่างนี้ได้มันใจต้องมีความสงบถ้าไม่สงบมันจะมีความหลงมาคอยหลอกว่ามันไม่ให้คิดอย่างนี้หรอกมันจะคิดว่าดีอย่งนั้นเอ<บ>าโทรศัท์นี่มาเปล่ันนี้ยังยังไม่มาครับอืมยังใช่โยมเข้าใจว่า ก็ดีเวลาทำเจ้าทำสะละัดเปาแล้วมันต้องใช้ยีนอันนี้ถือว่าเป็นเป็นบาปไหมอ๋อไม่บาปหรอก <Yes. S 1> ไม่เกี่ยวยนะีนมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีวิญญาณอ้าวเข้ามาคำถามคำถามจากคุณนกถ้าเราบังเอิญเราพบส้อยคอทองคำของคนอื่นตกอยู่แล้วเราตามหาเจ้าของจ้อยไม่พบควรทำอย่างไรคะ หรือควรนำสร้อยไปบริจาคอย่างไรดีคะอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยคะ่ะก็ควรจะไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือใครก็ได้ที่เขาจ ะ, ะประกาศบอกหรือว่าถ้าเกิดมีใครมามาม า, ม า, ม า, มาถามหาแต่ไม่ควรที่จะไปใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันไม่ได้เป็นของของเราเอาไปทำบุญก็ยังไม่ถูก เจ้าของก็ยังไม่ได้เนื ญ, ญาตให้เอาไปทำบุญก็ต้องเก็บไว้ถ้าของตกที่วัดก็ให้ไปที่สา น, นักงานนี้ส น, นักงานก็จะเก็บไว้แล้วถ้ารอให้คนเข้ามาคนที่เขาหายไปเขามาถามหาก่อนก็อาจจะเก็บไว้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่รู้จะทำอะไรกับมันต่อไปก็ถ้ามันนานเขาก็ถือว่าเจ้าไม่เก็บเลยดีกว่านี้ ถ้าเราเห็นแล้วเราปล่อยไม่ก็ได้มันก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนหินเราไม่เห็นเก็บกันนะใช่ไหมทองมันก็เป็นแค่โลหะอถ้าเป็นฝาบวงฝาเบียมันก็เป็นโลหะแล้วม่เ uh ห็นเก็บกัน ก็สายไปแล้วเนี่ยเขาเรียกไม้แก่ไม้แก่ดัดยากเนี่ยแต่แม่ปลาสิบแปดเนี่ยก็ติดทีวีมากอ่าก็ปล่อยเข้าไปแล้อบางคก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะที่นี่จะทำได้ไหมเราต้องปล่อยเขาปล่อยก็หนังสือธรรมะไปไวไปท้ที่ที่บ้านเพื่อว่างๆแกไม่อยากทาอะไรอาจจะเปิดอ่านขึ้นมาก็อ่านทีไรก็หลับทุกคืก็ดีปัญญานอนหลับนะอย่าไปหวังอะไรเรื่องของเขา ชีวิตของเขามันไม่ใช่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่เราทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็จบแต่บางทีไม่ทํารู้สึกผิดทําังไงไปบังคับคนอนนะไปวัดอะไรมันไม่ได้หรอกไปบังคับใจเขาได้ไงคนอื่นไปบังคับใจเราได้หรือเป่าถ้าก็มาบังคับให้เราดูทีวีเราไม่อยากจะดูองของที่เราบังคับกันไม่ได้ ชวนกันได้เชิญชวนได้แต่ถ้าก็ไม่ทำก็จบเร า, าทาหน้าที่ของเราแล้วเราชี้ทางแล้วเขาไม่ไปก็ช่วยไม่ได้ของนี่ลากกันไปไม่ได้เหมือนลากหมาลงน้งนี่มันยอมลงไหมลากมันลงบั้มเดี๋ยวมันก็วิ่งขึ้นมลยะ้อของพวกนี้มันบังคับกันไม่ได้ ถ้เขามาต้องมาด้วยความสมัครใจถ้าไม่สมัครใจเดี๋ยวเขาหนีกลับบ้านเนี่ยหาเรื่องกลับบ้านโอ้ไม่สบายแล้วปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาเนะี่ยชั้นโต้ที่นแทนที่เรื่องสั่งอาหารนะครยมเคยเปิดร้านอาหารทะเลแล้วก็ขายสัต์ที่มีชีวิตทั้งหมดอะค่ะแล้วก็ลูกค้าจะมาสั่งจิบเนี่ยไงครับซึ่งไปตรเทโอ เ, อเขาเขาทํามาก่อนอี่โยกก็ ไม่ปรารถนาจะทำํำแต่มคนขายดีมากค่ะได้เงินทองเยอะมากเลยแล้วเราจะมนุษย์ดีแล้วเอาเดรัจฉานดีะนะเราก็ต่อสู้ไม่ไหวก็พยายามอธิษฐานกับรอยพรธบารมีขอได้เลิกปัญหาก็ได้เลิกแต่ก็ยังค่องใจว่าเอ๊แล้วบาปมันจะตกกับคนกินหรือคนทําหรือคนรับตังค์คือเราคือก็ด้วยกันทั้งหมดแหละคนสั่งก็รับกรรมคนทําให้เขาก็รับกรรมแต่ก็ทําให้เราขนขวายที่จะ มาสร้างบ ม, มากเพราะว่าเราปวดบาทอนะอ่าะมามาคำถามจากคุณสุรพลทำไมเราได้ในสิ่งที่เราอยากได้และสิ่งนั้นก็คงอยู่ไม่มีความสูญเสียแปรผันหรือไม่สมหวังแต่กลับมีความเบื่อความเบื่อคือความทุกข์แบบไหนครับก็ใจ 8, เราแปรผันไงของไม่แปรผันแต่ใจเราแปรผันละพอเห็นอะไรจำเจซ้าๆ ม, มันก็เบื่อ ของทุกอย่างมันเป็นอย่างงั้นน่ะมันไม่สามารถให้ความรู้สึกอันเดิมกับเราได้ไปตลอดใหม่ๆก็หน้าตาจุ๋มจิ๋มเก่าไปก็กลายเป็นสนิมเย <c oughs> คนเก่าเ น, นี่ยคนเดียวกันเนี่ยมันใจเรามองไปคนอีกมุมละเวลาไม่มีก็โหเห็นดีไปหมดพอได้มาเห็นหน้า จ, จําเจซ้ำซากไม่กี่วันก็เบื่อละ ล, ลองกินอาหารที่เราชอบดูสักสิบวันดูได้ไม่ต้องกินอย่างอื่นนะ่ะ อาหารจานโปรดของเราเนี่ยเราให้กินสักเดืนนอนยังจะเบื่อไหมหรือกินไม่ลงนะคาถามจากคุณจิราพรใจคือดวงจิตใช่ไหมคะใจก็คือจิตจิตก็คือใจนะนะั่นแหละใจมันมีสองสองสองด้านเหมือเนเหรียญนี่ด้านยังเรียกว่าจิตด้านาเรียกว่าใจด้านที่จิตก็คือด้านความคิดด้านใจก็คือด้านอารมณ์ด้านความรับรู้ ต่างๆมันก็ตัวเดียวกันนะเหมือนเหมือนร่างกายของเราเนี่ยมีหน้ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายใจก็มีผู้รู้ผู้คิดตัวรู้ตัวคิดอยู่ในใจในจิตในใจตัวเดียวกันแต่มีหลายหน้าที่คำถามจากคุณขันติพง <c oughs> การรับประทานเนื้อสัตว์แล้วแผบส่วนกุศลให้เขาไม่ว่าเขาจะเป็นสัตว์ตัวใดเขาได้รับไหมครับ เขาจะไปรับอะไรจะฆ่าเขาก็จะกโกดเราเลยถ้าเราอยากจะแผ่กุศลก็อย่าไปฆ่าเขาสิให้ให้ชีวิตเขาเช่นไปถ่ายโคถ่ายวัวถ่ายชีวิตโควัวแล้วไปปล่อยนอกปล่อยปลา่างนี้อันนี้เรียกว่าแผ่กุศลไม่ใช่ไปฆ่าเขากินเข้าไปในท้องแล้วก็ไปแผ่เอาอะไรไปแผ่ให้เขาล่ะคำถามจากคุณประพาพร ที่บ้านทําธุรกิจขายปลานิลสดจะบาปไหมคะถ้าเขอาไปฆ่าก็บาปถ้าขายเราขายเพื่อเอาไปฆ่าเขาเองก็บาปถ้าขายเพื่อให้เขาไปปล่อยก็ไม่บาปคำถามจากคุณเหนียวถามเรื่องกรรมค่ะกรรมอะไร <c oughs> ที่ส่งผลให้เกิดมามีปัญญาไม่สมบูรณ์อย่างกรณีดาวซินโดม แล้วคนที่มีภาวะดาวซินโดมจะต้องทำบุญอย่างไรเพื่อสะสมบุญไปในภาคหน้าคะและกรรมอะไรที่สมผลให้ลูกเกิดมามีภาวะดาวซินโดมคะสติเง็นการไม่มีสติคนไม่มีสติก็เป็นคนเขาเรียกคนเสียสติสติมีมากมีน้อยก็จะทำให้คนฉลาดขึ้นเลิกก็ลงไปรอยการจะฉลาดได้ต้องมีสติ จะเรียนหนังสือได้ต้องมีสติฟังอาจารย์สอนถึงจะได้ความรู้ถ้ามาอยู่ตรงนี้ไม่มีสติเป็นดาวซิมโดมก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีสติฉั้ก็ต้องหัดฝึกสติรักษาสติไว้ให้ดีอย่าเสียสติกันวิธีท <c oughs> ี่จะเสียสติก็คือกินเหล้าเมายาเสพยาเสพติดวิธีนี้จะทําให้สติมันไม่มีฉั้นอย่าไปเสพยาเสพติดอย่าไป กินเหล้าเมายาสติมันจะไม่มีแล้วต่อไปมันจะเสียสติจะเป็นบ้าได้คําถามจากคุณสิริวัลความแตกต่างของการรักษากรรมบทตริษย์และรักษาศีลแปดเป็นอย่างไรคะก็เหมือนกันนะเพียงแต่เวลาสอนท่านก็มีมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เนื้อสาฮะเนื้อเนื้อหาสาระโดยรวมก็เหมือนกันค่ะท่าถามจากคุณเล็กถ้าเราไม่มีสิ่งแปดมีแต่ความอยากไม่จบสิ้นเมื่อเราตายไปแล้วเกิดเป็นสัตว์เพราะเราไม่มีสี่งพอเราเกิดมีความอยากมีคู่มีต้องไปสมสู่กับสัตว์ด้วยกันใช่ไหมคะอา้าวแล้วสัตว์มันจะไปสมสู่กับใครล่ะ สมสูงสว์มก็ต้งองยสัตว์ชนิดไหนมันก็สมสูงชนิดนั้นแ่ะม้ามันก็เอากับหมาม้ามันจะไปเอากับควายได้ไงไม่น่าถามเลยคำถามจากเด็กหลังเขาเวลานั่งเวลานั่งกรรมฐานแล้วเราแผ่ บ, บุญกุศลให้เขาจะถึงหรือเปล่าครับไม่ถึงหรอกเรายังไม่มีเลยบุญกุศลเนี่ยถ้าเราได้ผลจากการนั่งกรรมฐานแล้วมันถึงจะมีบุญกุศล ถ้นั่งยังไม่ได้มีบุญกุศลยาบุญกุศลไม่แผ่ที่ไหนมันต้องได้บรรลุธรรมมันถึงจะเป็นบุญกุศลนั่งกรรมาฐานแล้วได้ฌานได้สมาธินี่ถึงเป็นบุญเป็นกุศลหรือได้บรรลุเป็นโสดาบันเป็นอะไรนี่ถึงจะได้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนั้นใครก็นั่งได้เลยนั่งปุ๊บก็แผ่กันปั๊บเลยอะไรมาแผ่พระอาจารย์มีเทคนิคไหมครับหรือว่านั่งเราไม่ให้ฟูงซ่าดอะไรก็ไม่ก็สติให้ก็<ม>พุทโธไปเลย ลองพูดโทไปทั้งวันอ อ, นอถ้าคิดพูดโทจะไปคิดเรื่องอื่นได้ไงใช่ไหมอ่ก็ง่ายๆแค่นี้ไม่ยอมพูดโทกันชอบคิดกันคิดมันก็ฟุง้งซ่านเหมือนรถแต่ไม่ชอบเหยียบเบรกกันชอบไปเหยียบคันเร่งกันเน่ยมันก็วิ่งชนกันเลยสิใช่ไหมรถต้องเหยียบเบรกสิ้าเหยียบเบรกมันก็หยุดใช่ไหมไปเหยียบคันเร่งมันก็วิง่งเลยอ ถ้าให้เป็นคิดเป็นก็เหมือนเหยียบคันเร่ยงยิ่งคิดเป็นก็ยิ่งฟุ้งเนี่ยถ้าพุโทโธพุโทโธมันก็หยุดฟุง้งคำถามจากคุณรสชนัดการทําสติเมื่อเวลาออกจากสมาธิแล้วทําอย่างไรคะพยายามท่องพุโทโธแล้วมันก็ยังหลงและบางครั้งยังมีตี ก, กันกับการจระทํากิจวัตรก็ถ้าพุโทโธมันเป็นตีกันกันกบ การทํากิจวัตรก็เฝ้าดูการกระทํากิจวัตรของเราเป็นหลักกําลังทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการกระทํานั้นไปก็ยังมีสติอยู่อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นก็แล้วกันเช่นต้องทําการบ้านต้องทํางานก็อยู่กับงานที่เรากําลังทําไปถ้าใช้พุทธโธไม่ได้เพราะงานบางอย่างต้องใช้ความคิดอย่เช่นทำอ่านหนังสือทําการบ้านคิดบัญชีมันต้องใช้ความคิดแล้วก็ไม่ต้องใช้พุทธโธ เราก็ใช้สติดูงานที่กำลังทำอยู่ในตอนนั้นอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นแล้วพอทำงานอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ค่อยใช้พุโทโธเช่นเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังอาบน้ำอาบท่าทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วมันจะคิดด้วยเปลือ่อยก็ดึงมันกลับมาอยู่ที่พุโทโธคาถามจากน youtube นะครับจากคุณ Spirit. ถ้าเราแก่แล้วสมองเลอะเรือนเผลอทำตามกิเลสโดยไม่รู้ตัวก็ต้องกลับมาสู่วงจรสงสารวัดเหมือนเดิมใช่ไหมครับถ้าทำตามกิเลสมันก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กิเลสก็คือความโลภความอยากเนีย่ยต้องไ ม, ไม่ต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นคำถามจากคุณสิริวัลถ้าเจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่กันมาแต่เก่าก่อน หรือี่เรียกว่าบุกเพสันนิว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันได้หรือไม่คะได้แต่คิดถึงความตายคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายที่จะตามมาคิดถึงอสุภะคิดถึงตับไตไส้พุงเขาคิดถึงกระโหลกโครงกระดูกคิดถึงหัวใจคิดถึงปอดคิดถึงม้ามคิดถึงอะไรที่มีอยู่ในร่างกายเขาคิดถึงเวลาเขาตายยังเป็นบุพเพกันอยู่เปล่าเวลาตายนี่เป็นบุพเพกับ กับสัปเปลเลอท่านนี้มายกให้สับปเปิลเลอร์อะไรนาคำถามจากคุณจินเวลามีคนมาเกียดเราแต่เราไม่ได้ทําอะไรเขาเลยเจ้าค่ะทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ไม่ต้องทําอะไรตอบไปเลยก็ปล่อยเขาเกียดไปเราไปห้ามก็ไม่ได้เราอย่าไปตอบโต้เขาเราก็อยู่ของเราไปตามปกติคํถาถามจากคุณนารยาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งตอนเย็น หากเราจะทํากําหนดสติให้การใช้ชีวิตประจําวันของเราใช้ใช้วิธีกําหนดอริยบทต่างๆของเราใช่ไหมคะเช่นเราเดินให้สติอยู่กับการเดินเราฟังให้สติอยู่กับการฟังทุกอริยบทในการใช้ชีวิตประจําวันกําหนดให้สติอยู่กับตัวเราแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแต่เป็นการเจริญสติเพื<ม>่อที่จะไปใช้ในการทําสมาธิต่ตอไป แต่อย่าเจริญสติอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปทำสมาธิต่อเหมือนหาเงินมาแล้วไม่เอาไปใช่ใชหหาเงินมาแล้วก็ต้องเอาไปใช้มันเป็นประโยชน์เราจะเจริญสติเพื่อบันั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบจะได้มีความสุขเห็นพอเราเจริญสติแล้วเราต้องหาเวลานั่งสมาธิกันด้วยไม่ใช่เจริญสติอย่างเดียวเพราะเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่สติเป็นหลักเป้าหมายอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ความสงบ เพราะความสงบให้ความสุขกับเราอย่างยิ่งนั่นเองคำถามจากคุณปภาสอนเรามีใจอยากถือสีแปดทุกวันคระแต่สีข้อที่เจ็ดเรารักษาไม่ได้เพราะเรื่องงานเราสามารถเลือกรักษาแค่เจ็ดข้อแทนได้ไหมเจ้าคะได้ก็สอบก็เหมือนกับว่าได้ได้ไม่เต็มร้อยได้แปดสิบห้าเปอร์เซนแล้วควรจะสมาทานสีนอย่างไรคะก็สมารทานสีนเจ็ดไปเลย ข้ไหนเรายังทําไม่ได้ก็อย่าไปสมาทานสะาทานข้อที่เราสมาทานได้เหมนอนกัทําข้อสอบเวลาทำข้อสอบข้อไหนทําไม่ได้ก็ข้ามมันไปไปทําข้อที่เราทําได้ไม่ใช่ทําข้อนี้ไม่ได้ก็เราไม่ทํามันทุกข้ออย่างนี้มันก็ตกก็สิใช่ไหอทําได้เจ็ดข้อดีกว่าทำได้ห้าข้อใช่ไหมคําถามจากคุณจีราศักดิ์ เวลาที่เกิดความคิดที่เป็นอกุศลภายในใจจะมีอาการอึดอัดมีน้ำหนักเป็นกลุ่มก้อนอยู่ภายในใจถ้าหากสามารถระวางอาการที่เกิดขึ้นแล้วไปอยู่กับคุทโทรหรือลมหายใจแบบนี้ถือว่าเป็นการปล่อยวางความเป็นอกุศลได้ไหมครับเป็นการปล่อยแบบชั่วคราวเพราะสตินี้ไม่สามารถถอนรากถอนโคนของอกุศลได้จะถอนได้อย่างถาวรต้องใช้วิปัสสนาใช้ปัญญา คือความคิดอกศของเราเกิดจากความหลงหลงไปเห็นอะไรแล้วเราคิดร้ายกับเขาคิดไม่ดีกับเขาเพราะเราเกลียดเขาเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้แล้วความเกลียดของเรามันก็จะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆ เ, เราต้องรู้จักแผ่เมตตาต้องมีความปรารถนาดีให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายเขาจะดีชั่วก็เรื่องของเขา แต่การที่เราไปโกรธไปเกลียดเขานี่มันทําให้เราเป็นทุกข์ไปเปล่าๆแต่ถ้าเราให้อภัยเขาหรือไม่ถือสาเขาอยากจะให้เกามีความสุขความอากุศลต่างๆมันก็จะหายหไปคําถามจากคุณสุรจิตขอคําชี้แนะที่จะให้เตี่ยที่ชอบทาบุญศาลเจ้าหันมาทําบุญใส่บาตรกลับสงบ้างครับ อ๋อมนเรื่องของเตีย่ยเขาถ้าเขาไม่มาจะไปทํำไงได้ก็มีแต่ให้ข้อมูลเขาเท่านั้นเองมีหนังสือธรรมะมีอะไรก็ไปวางไว้ใกล้ๆเขาเผื่อวันดีคืนดีเขาเกิดหยิบขึ้นมาอ่านเขาก็อาจจะได้ปัญญาแต่เรื่องพ่อเรื่องแม่ผู้ใหญ่ก็แล้วนี่เราไปสอนเขาไม่ได้หรอกนอกจากเข้ามาขอคําปรึกษากับเราเราถึงจะบอกก็ได้เราเป็นผู้น้อยกว่าจะไปสอนเตีย่ยไม่ได้ไม่ควร เดี๋ยวเต๋ยจะโกรเอากูเลี่ยงมงม า, ามึงยังจะมาสอนกูนอีกนะงี้นก็มีแต่เอาเอาของดีๆไปหวานไว้ใกล้ๆเขแล้วกันเอาหนังสือธรรมะเอาวีดีโอธรรมะอะไรไปไว้เผื่อวันดีขึ้นดีแกอยากจะเปิดดูเปิดฟังขึ้นมาแล้ว อ, อ, อาจจะได้ปัญญาขึ้นมาเองคำถามจากคุณอุจัง ยังพิจารณาอสุภะไม่ออกค่ะยังคิดภาพตัวเองเน่าเปื่อยเป็นซากศพแก่ชราหนังเหี่ยวไม่ออกนึกอย่างไรก็นึกภาพตัวเองไม่ออกหลายครั้งยังมีความพอใจในร่างกายยังยึดติด ก, กับกายอยู่ยังมีพอใจไม่พอใจคนอื่นทำให้มีอารมณ์ต่างๆอยู่ขออุบายในการพิจารณาอสุภะด้วยค่ะก็ไปเปิดดูใน Google ก่อนเลยเขียนว่าอสุภะแล้วก็ค้นรูปค้นภาพอยู่ ก็จะม่รูปกับอสุภาพต่างๆให้ดูหรือเขียนคำว่าซากศพก็ได้หรืออยากจะดูของจริงก็ไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลก็มีการสอนนักศึกษาแพทย์ไปขอดูได้เวลาที่เจ้าผ่าศพฝนจะมาแล้วเลวอออยอขยับกันละเอาว่ามาอย า, อยากจะกลับกันก่อนวนะ้าฝนจะตกแล้วหรือยังเนี่ย สู้ได้นะแต่เดี๋ยวฝนตกก็หยุดนะเพราะเสียงดังแล้วมันจะพังไม่รู้เรื่องนะคำถามจากคุณชาญจิตที่คิดกับสติคนละส่วนกันไหมครับได้สติเป็นเป็นความรู้เฉยๆความคิดเป็นสังขารความคิดปุงแตกเป็นคนละตัวกันสติเป็นตัวหยุดความคิดแต่บางทีเราก็เอาความคิดที่เป็นสติมาหยุดยันพุโทโธนี้ก็เป็นความคิด แต่มันเป็นความคิดที่ทําให้เราไม่สามารถไปคิดอย่างอื่นได้มันก็เหมือนกับหยุดความคิดไปคําถามเจ้าคุณพัสกรการซื้อสัตว์ที่เขาล่ามาเอาไปปล่อยมองอีกอย่างก็เหมือนส่งเสริมให้เขาล่าควรทําอย่างไรครับเราไม่ได้ไปสนใจเรื่องเขาล่าเขาาล่าไม่ล่าเราสนใจเรื่องช่วยเหลือชีวิตของคนอื่นเขาส่วนก็จะไปล่าต่อก็เรื่องของเขาเราไม่หน้าที่ปล่อยแล้วก็ปล่อยไป <laughs> ยิงยิงต่อไปทําอะไรไม่ได้มันส่งเสริมหมดคนทำถนนก็ส่งเสริมให้คนขับรถชนกันบนท้องถนนเนี่ยก็ไม่ต้องมีถนนไม่ดีอ่ใช่ไหมเราไม่ได้ทําถนนเพื่อให้เขามาขับรถชนกันใช่ไหมเราทําถนนเพื่อให้เขเดินทางไปอย่างสะดวกสบายไปไหนมาไหนเราก็ทำนี้ไปส่วนก็จะไปขับรถชนกันบนถนนจะมาโทษเราพ่อเรามาสร้างถนนให้เขาวิ่งได้เปล่ามันคนละเรื่องกันเรามีหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์ ที่เขาเละเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือเข้าไปส่วนเขามีหน้าที่จะไปลากก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้จะทํำยังไงหรือรจะปล่อยให้เขาฆ่าสาัตว์ที่เราช่วยเหลือได้คําถามจากคุณชวนอาชีพเช่าพักเครื่องรับเช่าพักเครื่องถือว่าผิดศีลและบาปไหมครับไม่บาปไม่ผิดศีลพักเครื่องก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งเป็นเหมือนตุ๊กตายเงี้ยมันจะไปบาปตรงไหน เป็นตุ๊กตามงคลคนคำถามจากคุณออสนั่งไปเรื่อยๆพุทโทเจอสุขมากสุขจนล้นแล้วต่อจากนี้จะเจออะไรครับหลวงพ่ออ๋อมันก็ล้นนะมันก็เต็มที่ตรงนั้นแหละนั่งสมาธิก็ได้ความสุขจนล้นเแต่ต้องให้มันสุขทุกวันตลอดวันทั้งวันทั้งคืนมันจะได้เฉพาะช่วงที่เรานั่งนั่นเองงั่นเราต้องนั่งบ่อยๆนั่งมากมาก แทนที่จะไปเอาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงจากการที่เราจะไปอยู่กับแฟนก็เอามาเอาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าเพราะมันสามารถอยู่กับเราได้ตลอดเราสามารถมีมันได้ตลอดแต่ความสุขจากอย่างอื่นนี่มันไม่แน่นอนเดี๋ยววันดีคืนดีแฟนก็ไม่อยู่กับเราเราก็ไม่มีละวันดีคืนดีไม่มีหนังดีไม่มีหนังไม่มดีดูละครดูมันก็ไม่มีละ แต่ความสุขจากการนั่งสมาธินี่เรามีได้ตลอดเวลาพยายามทำให้บ่อยๆทำให้มากๆทำให้ํำนานทำให้เก่งแล้วเราจะมีความสุขตลอดเวลาคำถามจากคุณพิมพง์ข้อที่หนึ่งลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหากพิจารณาธรรมแล้วมันก็คืออันเดียวกันนี่เองใช่ไหมครับมันก็ละอันกันลาบก็เงินทองยศมันก็ตาแหน่ง บางคนนี้มีเงินแต่ไม่มีตําแหน่งบางคนมีตําแหน่งแต่ไม่มีเงินชนมหาเศรษฐีนี่ร้อยล้านพันล้านแสนล้านนี่เขบางทีก็มีเงินมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินเองแต่เขาไม่มีอํานาจเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินคนรวยจะไปไหนก็ไม่มีการปิดถนนไม่มีการอะไรแต่พระเจ้าแผ่นดินนี่ไปไหนก็มีคนปิดถนนให้ก้านให้ทุกอย่างแต่เวลาจะหาเงินมาช่วยคนนี้บางทีพระเจ้าแผ่นดินก็เงินน้อยกว่ามหาเศรษฐี ก็ต้องไปทําการกุศลต่างๆเพื่อให้ก็อบาบบริจาคเอาเงินมาไปช่วยเหลือคนเช่นตอนนี้น้ำฝนฝนตกน้ำท่วมภาคใต้พระเจ้าแผ่นดินก็เอาของส่งไปแค่สามพันถุงถ้าเป <All right. S 1> ็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านจจะส่งไปสักแสนถุงก็ได้เห็นไหมมันต่างกันมันมันดีแต่คนละอย่างเลยข้อที่สอง นิพานนั้นไม่มีทั้งความอยากไม่อยากและความเฉยเฉยใช่หรือไม่ครับเออไม่มีกโรโลบกดลงนี่สักแต่ว่ารู้อิ่มสุขสบายไม่หิวไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะเออผนจะตกล้ให้กลับบ้านดีกว่านะพอมันเริ่มมืดฟ้ามัวฝนเราเดี๋ยวตกแล้วมันจะลาบากก็ออ <c oughs> ขอให้นาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพนะิจารณาไปปฏิบัต